มัดคนเดีว่าใครเห็นแต่เรามันวถือมันธรรมดาก่มาก ข่ายรนข่ายรถก็ล้มเจ้ากันคือกะตะกหรอกโอ้เจ้าคือเจ้าโบรากันบุญบุญอะไก็ไม่เจ้าคือตะโกคือยังยากหลายเลยปนยากก็เกินไปโอ๊ยเด็กหน้าก็เลยดำเกิว่ายาก โบ้ได้ยำแล้วยมาแล้วซึ่งไม่ได้อะไรเลย่บ้ามมงาวเดียวก็ได้จัดลา้าเดียวพอวันทุกเ้าทตงยิ่งใส่กว่าหนุหนึ่งยืเล่เยกเแล้วน่เขาขอคุณแล้ว ลแล้วอืมรมเยเลยเรมเ้วแต่แฉ่ดิขาดร่มมน่มันไปน้ำ น, น้าฝ น, น, นแรงแน่นแล้วแหงเร้วมันไปเล้ยวขอบเล้วสะกอนมันหน้าดินทรายเดี๋ยวนี้มันท่าดินตมดำกับปลได้มังสังเกตมังแล้วมันแหลว เห็นเขาไถไปไถมาหรอกโอ้ยสมพมเป็นน้ำสมัยเลยคนดดหน้าเพราะก็ดำหน้าตั้งแต่แรกๆไถดีๆเราว่านไวล้วก็แล้วโอ้ยน้ำสมัยเนาะชาวบ้านอีกพวกเก็บไปแล้วสมเด็บั มัดจิ้งหายเกาะน้ำเราไม่หรอกนั่นแต่กตาเกาะตานขายเราะขอให้สบายเลาสัก้าที่ได้ก็สรางหัวมันตัเจ้าเลี้ยวออกไปเจ็บอยู่ตาเราเองแมนจงไว้กับ มันสั่นน้ำจังเลุาให้เจ็บไซเขาสีเขาเอาตข้าหงงแล้วจิ้ตาข่ายหงงแล้วน้องพูว่าา้อาบุญยังบุญย โอ้ยไป้างเาได้รอกมือยได้ขึ้นเดียวขึ้นเดียวกไปเลไปท่าไรอีกเ น, นกไปีไป่ยล่เกลี่มไปอุบลอุบลกับเขาสีสมเด็ดจสีสมเดชกับไปเพชรบุร เจะบุนกับจันทบุรีเอากรุงเทพเกาะสมุยอยู่างไหนล่ะพักพัก่ะพักปะมาส่วข้าว มมเฮยจนก่าฟ้ามากกว่าด้เห็นแล้ว hey. ต้องถามหาเอาแล้ว เห็ดเ้าเห็ดบุญเห็ดสนเห็ดท่านขาพรสูเห็ดบุญได้หรอคนปเขาใจว่าไปทำท่านว่าทำบุญด้ทำท่านตัางกายเลี่ยงกายด้มีอย่างนมีข่าวน้า เครื่องนมเครื่องโฮมที่อยู่อาศัยเสน่หส น, น่หเห็นไเราก็ย่ารักษาโลกของท่านไปว่าท่บุญผลมาดีก็มเข า, าเลยเป็นนิสัยคงจา ก, ก้มหมายก็น้ำกันไปซื้อๆป็นไปทับุญมากกมากาบม า, ายกับปนัางทับุญก็นางเนยละลา ถ้าเราไปเดินจมกล ม, กลมทำทานอาซาสินทำบุญคนว่าวต่อกันไปวัดทำบุญทำทานไปเลยเอาตะกัามว่าจักคว่มหมายที่แบบคนแนวนี่ทำบุญกับทำทานทำทานยากยากหาสิ่งหาของ ใสซิ่งของเราก็อนยากมันผ้าอีกเห็นว่าแต่นบุญกระถินกองผ้าจุ่มกุ้มยุบมันเด้อเดี๋ยวผ้ายากหาปนเจียบก็ประเดียวเอาไปมาผราลำค้างขายเั <statute Allah> ็ต <hhh> <t un> ัวมนมมาทำสังฆทานมาผ่ายุวัดเด้อนั่นที่เดี๋ยวผ่าเกิดีเหลีเนี่ย ไปวังวัดกับไปบูชาพ้าทำสังกระท่านเป็นวนนันตัวนั่นแหะเฮียติฟะเนี่ยแต่ว่าทำบุญนี่ง่ายเพราะหนึ่งเ่าะขรุขจเพราะคนบ่เหตุบุญเพราะคนบ่ทำบุญทานศีลบุญ น, น, น, นั่นกขาดศีลละกันนี่ก็บุญก็มัวจากข้อหมายละกันทานศีลบุญต้องมีศีลตะกนนันใจสินิ่ง ฉันบอมีสินใจบนค่หนึ่งพอคุณเจ้าจาว่างต้อกันไรเหตุจะกทำทานจากรักษาศีลจากภาวนาอันวอกต่อกันเป็นค่ำเดียวทานศีลภาวนาทานศีลภาวนา เ, นเอาตัาของไปทานบบภาวนาโบจักความหมายโบเหตุทำเห็ุหหดโดนบวชพระ พระสมองบ่โม่่อเนะสามสิบอาพฮะโอ๊ยยันโ่พอสามสิบท่านั่งเรนั่งเราถึงเอานอนก็เอจ้าอาสึนตัวเดี๋ยวขายจะเข้ากนเต่าปวดขาโมเมียคืนไขขันเล้าเม่อคอแกงเลี้ยวแทะรว่าเลี้ยวหันนั่นเจริญเปนก้อนบ่ เหตุยยากขันบ่ฝืนบท่ทนก็เจ้ากู้เต้จนจนังไห้เดินจงกรมกำลังอยากนอนจะไปนอนวิ ท, ทีแก่มันดิ้วก็ไปติดต่น้อนมาไงาจู่หันแล้วบัดเดินยงกรมดอกคุณ ม, มานั่งอีกตะก้อนบัดฝนมันซึนเดินจงกรมหรอคือเขากินเขาเสียละกั น, นกินเพิ่มอยากมันเป็นเกิดจิเลดเป็นกองเขาหน่อยค่ะแม่ไหม คุณต้องห้ามไว้พูดเจ้าจะพอกินพ่วมอยากจะพ่อปากพุ่มเขียดเข้าใจว่าไม่กดไว้กดใจได้เป็นผาคำนั้นโกรธกันจะปากเด้กันปากตีกันหมดดิเถียงกันด้โกรธไอ้ผูน้นั้นโกรธผู้นี้สองคนโกรธกันนั่นจะพ่อปากพุ่มเขียดคำนั้นโกรธพิตีณสูแล น, นี้ลุกนีอย่างนี้จา ก, กันจะขอไปใกล้ นั่นแหะตบมือครั้งเดียวประดังคนในโลกนี่พราวนหน้าพระท่อมบุญกันเลยมีตั้งแต่ต้มกันตัวกันหลอกกันเอาลัดเอาเปรียบกันโกดกงกันโอ้ล่ากันทุกมื่าบัดเขามีข้าวมีข้าวออกสุกขนตูกแหงเลยนี่เฮ็ดยุไสส่งให้กันปั๊บข้าวหลด แต่ข้าวดีๆนะก็ส่ o m เขาคุณเขาได้งเงินสำนี้เพราะฉะนั้นเขาจ้งเรียนโทรศัพท์คนสมัยใหม่เห็นคนเป็นยังกะท้ายปั๊บส zoom ไปหาเขาเขาออกวัพวกขาดประจ่าเลยล่ะพวกอ่านข่าวส่งข่าวรับข่าวเพราะจะทั้งโลกเนี่ยพอสิน้นสุดก็สู่ทั้ง บุญทั้งศีลทั้งถ้ำใดมันมาลกลมากาบมากวายเ้วก็ไปนั่งติดน้อยๆแนแนว น, น, น, น้ำปลาส ม, มาธิภาวนานั่นมาคุยกันเรื่องโลกเรื่องบ้านเรื่องเมืองนี่นเป็นบาปบุญมืนว่าไ ป, ไปวัดท้ำบุญนี่กันเป็นไปหน้าเนวนั้นวัดําบุญนต้องให้จักคาหมายเข้ามาถ้าบุญนกึกทําให้ใจนิ่ง ใจนิ่มก็เป็นบุญก้ยมันใจวุ่นวายก็เพื่อเป็นบุญ้ามของกอมาแปลทูกคืนจริงตัวขมสงบบ่มี <c oughs> พระเปนหนอยรูปด้ประเทศไทยวัดก้ยเปนหนอยวัดดิแต่มาไปทำบุญวัดนั่นวัดนี่พระก็เพ่อบอกข้ามบุญนี่บัโดโยมอะไรถวายกระทิ้น ถวายทั้งกระนานบอกคือถูกปิเทียนถวายทั้งกระฐานตรวจนา้าไปสันตนนั่นัน่อบอกทั้งบุญโยกกับ่หลงหลงกหลงกับ่อหูก็หลงไปน้ากันเด้บั้ยไปว่าเมื่อวานได้วิธียังเศ้านี่น ว, นวดนั่นวดรีโฟ ก, กวจที่ยังตวดน้ํา่เมือคืือมอีความแล้ว มันก็ม้วกวนเล้ยวก็มาถวายพระก็าอย่างไโมเส่น้ามาตรวจหลวงปู่เหรอโอ้ยหนว่าเอาน้ามาถวายพระได้เอาน้ามาตรวจวันใดบ่มีขวดน้ามากทั้งวัดกับสื่อมากเครื่องตรวจน้าเป็นแถวใบน้าห่านไน้ำตู้ไหมชังเจป็นวะนัวัดเป็นแถว พระบอกไปเห็นต้งสั่งผมได้ฝนเขาใส่ผมได้ห ล, ลงหลงผิดฉันน้ำกันไปตีข้อหมายออกเพื่อทังเวรหึงหลายมันสิคำโ ม, มตพัวากกว่ามันสิสาคำทั้งนั่นมื่อนั้นเราขั้วกว่าถูกทุกที่นบูชาดอกไม้บุกที่นถวายนั่นถวายนี่นะขั้วกว่าเชืวเวลาเห็นว่าถ้าคทางังการเขาทำบุญบุญนี่สิผ้าไป มันไม่มีบุญกับบาปทั้งตัวมีสองอย่างนี่ในหัวใจหนึ่งบาปสองบุญด้อันบุญไปยุปปบกับบาปเพราเขาอยู่หัวใจได้อันบาปไปยุบบุญเขาไปยุบใจเ่าได้มันบาปมันไหลแนวดิขาเขาคนเขาตีเขาเพ็ดผิดศีลธรรมมันนี่ก็เป็นบาปเหมือกันแต่ละเอียดตางกันนี้บ่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าอยากที่สามมันชนคนธรรมาราสิดูได้ธรรมของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อมีแต่อะไรพ่อสอนเนียโยมทำบุญหลวงพ่อพระบ่เคยเห็นบุญไหมหลวงปู่พระเฮ็ดพ่อแห่งนี่พระเห็ดคือพระพุทธเจ้าเข้าหาบุญนะฝึกกี่ยวัญฝึกกยวของสกนนี้พระพุทธเจ้าสอนเนี่บวชเข้ามาฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นสอนตนให้เห็นแล้วจึงสอนผู้อื่นเห็นพรก็ลงไปเห็นคือพระพุทธเจ้าเนี่ย บุคตัวนี้้ตู้หกปีนี่ก็เกินหกปีผล้องจะด็สหายของใจตัว <c oughs> โดนพระเจ้าหาสินหาทรัพย์ดเลยบังล้มเงี้งเดียวดิหนิทีโลกบ้บานเฮาชุมนนี่มันบอกว่เจ้าพระสงฆ่าใครเน้นนักเรื่องหาร่วมไปบ่หาใครหาบุญสักกอนหนเฮ็ด <c oughs> นั่นเฮ็ดนี่สั่งนั่นสั่งนี้สั่สงบทสังวิหาร ส, าา ส, าาสาั่งวัดสั่งวาสั่งไปถึงเพื <c oughs> ววอ่อนั่นมิตรบัวว่าเมื่อสั่งมัน อันไีเ no, ห็นบ <comments from> <laughs> ุญเจ้ก้อนหลมาเฮ็ดพวกว่าดนั่นแะู้าสอนใกคนได้แล้วฝึผู้อื่นพึ่งผู้อื่นพึงสอนผู้อื่นสอนไงดิสอนเจ้าของสอนนักเห็น่ผู้าอาจารย์สอนนักเรียนจ๊สุโขทจะสูโขทัยเจอาจารย์ถูกชจดือนตุลาอาจารย์เขาเขาโต้กันกินจ้เหล่าสอนได้ยุแต่ว่าสอนเจ้าของก็สอนนั่นนี่ สอนผู้อื่นมันสอนง่ายแต่ว่าสอ น, จอสอนอ เ, อเจ้าของสอนยากครเจ้าอยาจังไงสอนก่อนเองไดตะกอนจังวาสอนผู้อื่นทำไมว่ากันเขา่าไกไปวัดเจะจะไปบอกเรื่องผู้นั่นผู้นี่จะบอกขวนผู้นั่นผู้นี่ไปเข่านั่งสมาธิภาวนาตั้งสัจจะไปรดอดเพราะจะเข้ามาวัดหอกเามาวัดมือนีศีล น, นีสิบบเบว่าจะข้ามดอกนอกแกสวสวดมนต์ไหวพระว่าหนมูส่วนร่วมกันว่เาเป็นอย่งเจ้าไปอกสองต่อสองนั่นเป็นบ พิจแบรแปรแนวเรื่องโลกเรื่องโลกจีจะเอามาว่าวัดเรื่องศีลเรื่องธรรมก็ถามชาววัดเป็นตัวตัวสิมาเท่าสิไปคุยกันอย่างเท่าโบจับจะเรียกว่ามาทำบุญให้ทำให้หู้ให้เห็นตะวันเทาไปทำก็ไปเห็นหรือเอาง่ายง่เบิ้งก็ว่าได้ไปนังไปวัดไปเบิ้งบุญไปเบิ้งสวรรค์ นกนเห็นบุญก็เห็นสวรรค์สวรรค์ในใจกัเห็นใจก็เห็นสวรรค์ค่อยบริโภคใจไปองค์ค่อยแต่งบริโภคใจค่อยรักษาบรโใจรักษาตัวร่างกายก็วยคนนั่งพูดชนะอาหารร่างกายรักษาตัวอะไก็เท่าก็แก้แก็เจ็บก็ตายพอแม่ปุญญาต่งายไปแตแล้วเอาอยังไปนั่งไหมลำลวยอเอาไปนั่งได้บอสวยงามอเอไปนั่งได้ปอ ตาบ่ม yeah. ีลมนั่นปัมีผลบบงอถามถามใจเาแม่ไปถาม้พื่นยูบบงใจย่บเบงลมนะเขาดูลมลมนี่บ่มีลมใจกนหนีตัวนั่นพระเจ้าจ่ให้เสื้อผ้าในเสื้อพระพุทธเจ้า ที่ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้บงลมพระพุทธเจ้าคงสอนพระพุทธเจ้าได้ตัดรูปกับพระเจ้าบงลมนั่นจะเสียพระพระก็บอกจุตุกเทียนพระก็บอกตัวน้าพระก็ว่บอกขบุญพระก็เห็นบุญเดถามบุนได้ไม่ล่ะคือพวกทีถามโอ้ยบกล้าไปเลยไหมพระปเทศตงตอยู้กาในตี บ, บุญเป็นทัน้งไดทำบุญเป็นจะเห็นทั้งไดจะถามอะไรในประเทศนยบุญให้โอกาสให้คล่องกจ ถ, ถ, ถ, ถามยั่งก็ถามเดิมพอถามพอถามโน้มหรือเปล่าอนุโมสงสัยของใจเจ้หน้าฟะว่าแล้วก็แล้วมีคำถามมาเสียบพอเคยเห็นคาของกเจอวก็เลยมีคาถามแล้วบาง่องนางบางอ่มันเคื่นาสาวๆของรู้นางบางร่มต้องมีคาถามหมดด เป็นอยังผมนั่งอะไรเป็นอย่งมันคือเก็บหลายแตะนัะ่นตรงมีคาถามดิว่าเห็ุจากไหนจีเซา่นั่นนี่ว่าเหตุถึงคาบอลถามก็บม่ใช่คำถามแล้วพอ <c oughs> ถึงสามสิบนาทีจังไดนก็พอถึง <c oughs> นั่งจึงสิบนาทีก็ตัวดีแห้งู่ <c oughs> ทั้งกะที่ห้วงนอนแน่นทั้งหมดเปอย่างแนบุรละ ใ, ใจกะทีไปใส่บุ่กนั่นแล้วนั่นแต่ฝนตกมากมองดูเรืงห้องก็เรื่งอ่างเรืองอ่อางมวยเถาเหอ่อเถาเหอยอดแนบุตระละเป็นว่าเยื่องอย่างนีสา่งเวลาจำสินฝนตกแห้ ง, ง, ง อึงหองเมาออตั้อึงตัวบัด <c oughs> โอ้กันตั้งยงเย็บถึงปวดถึงวุ่นวายมาเรวดิเพราะฉะนั้นก็าน่งนิ่งใจนิ่งนิ่งนี่โอ้ละเอียดเต้เพราะฉะนั้นกันพระบาปโทษมันบอเห็นมันง่ายได่ใจเขาลื ม, มนเบงลมเห็นง่ายอยู่ไม่ตั้งใจเบ้งลมเปนไปสหลงังคิดไปเสะปปนะบบัด คุมมาไม่อีกปฏิโยพุ้นมันเจ็บปนล่ะขนมีสติตีหนึง่งนางหนึ่งถุงม่วงดิปฏิมาหรอที้วะตัวใจสิมาดิมันเจ็บอ่ะมันสิญาตตายจานเจ็บัาตัปวดเจบ่ะนั่นกันสูได้ก็ได้สูไ่ได้ก็เด็นพึ่งตอนนี้ล่ะ อยรมีสติอ่ไมีความสงบสุขางไรไปทาบุญอย่างไรก่ใจคาว่าไปทาบุญคือไปนั่งเพิ่งล้มหายใจก็ออกเพรมนผลของป้าพระหนุงไปทำบุญดิ่งต้องก่อใจชุดนี้ดินั่นแหะเท่ตั้งเวรถึงหลายมิติคำตายถ้าไกลๆบ่ขบมาถึงวัดบ่ขอมาถึงใจไงล่ะมาวัดกมาถึงวัดละบเอาตะเริี่ยมทั้งบ้านมาวางกันแต่นี้นั่นถึงวัดด้ เันไาถึงวัดไปวัด ต, ตามานาันนั่งร่วมหายใจกบอวยกวรผู้ไรบ๊วยกวรพระกวรแน่นควรตะกิเหลือดูไรหัวใจมันบาจากนิ่งเขาบอมานิ่งน่่ขั้มของพุเจ้าคืนจริงคือควมสงบุพมีนะ ว่าได้เหตุคือนี่ว่าได้กันกองคืดนี่มาทำบุญนเป็นทั้งหลา งั้นบากงันก็พอไม่ยากนโชคดีทีเราไม่รกวนก็ยากกันไียเดี๋ยวไปพิถุไปอธิษฐานเอาไปเก็บไปเมียนอีกผมบอเอาชิ้ถุเอาไปใส่ก็ได้กันพระว่าหุจักก็เป็นบาปพระไปใส่นี่ยไม่ออกกยากแล้วไม่ออกแต่พระยากที่บ ท่านไปซื้อซื้อพวกน้นพระพ่อยอมไปไปเบาไปทำบุญอันนี้เพร่ะนท่ทำบุญนี่ทำบาปดิ่งุงนอยู่ในตู้เต็มพีเียอยู่คนราอุ้มเราคู JI, ่เ็พี่เลีงอยู่ เว้ยเว้ยว้มาหลายปีแล้วก un ูはは้ามได้เดีพ um> ี่เจ้าพ่งก็บอเกิดแ่เจ็บแต่่ไม่เอีกูได้แต่มาปวดหังแฉ่เพาเป็นเจ็บเพาเป็นตายพเป็น ไม่ได่เพราะเป็นของเข้าตั้งขาร่างกายเกิดเราแก่เจ็บน่พุบัยก็แปลว่าเจ็บดินี่เจ็บป่วยเกิดแกเจ็บตายแต่คนนีบรรนาหาเให้แก่เพให้เจ็บให้ตายมันที่เป็นไปได้จไดของบ่เป็นของเขาดินน้ำลมไฟยืมดินมาใส่ยืมน้ำยืมโลกมาใส่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟตัวของเข้าขึ้นใจด้ ใจบกปเวเป็นดิทำกูทำใจก็คักงงูก ป, ป่วยเป็นบ่จิตใจมันบุปเวดินั่นตัวขเขาคือใจดินี่ของพ่อของแม่ดิแต่มีแม่ผู้เดียวพอได้ร่างกายดิมระสมกัน ข, ขาเป็นตนเป็นตัวเป็นธาก้อนหนึ่งลูกมาทำ ก้อนธาต ก, ก้อนรูปเป็นตัวนหน้ามันทำคือใจสิ่งที่เห็นใจคือล่มหรือบุญเอาบุญซ่องจังใจเห็นดิแล้วอึ้งซ่องเมื่งใจว่าเห็นดิเพราะฉะนั้นหลวงปู่จังดิญาติยมเอาเสียไปแก่กันเนี่ยพิมรักษาใจไว้นําเสียคนรักษาใจเราจะไปรักษาตลาง ก, กาย รัษาแต่ได้กะเท่ากะแกะก็เจ็บก็ตายเนี่ยมันถือว่าหายแล้วก็ยังอยู่ดิไมเขาไปหาหมอหายหระกยังอยู่คื อ, อยังตายเนี่ยตายแล้วดีว่าดีก็ไปเกิดอีกยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ในโลกนี่ต้องตัดนี่ออกตะกอนบ่มีเกิดบ่มีแก่บ่มีเจ็บ บ, จบ่บมีตายแนวทางของพระพุทธเจ้าพระในเห็ุหนึงเข้าวัดทำบุญ ถึงได้ยำบอกมออกที่นี่วันินั่งพ่อโมง่พันอกบ่เถงว่าสมสิบสามสิบหลวงพ่อกว่าติพ่ได้อยู่นอยคนที่ได้นั่งได้อยู่แต่ว่าจิตมันสิบ่นั่งอยู่ได้ร้อมนงนั่งก็ได้ใ่นิงุ่นไหว จิตพุทงก <c oughs> เห็นบ่าจิเรตมาผ้าไปพุสงบ ก, ก็บท้นเอานั่นทนไปจนมาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแบบไม่เห็นความสุขมันนิ่งจริงๆคนละสังเกตคกวามหมายความาทธบุตรสุขอื่นจริงความสงบบ่มีนั่นเห็นความสุขตัวนี้เราบอกกี่ขา้นได้บัดบึ้งตัวนี้พาราะวันปฏิสู้นี้อาหารใจอ่ะเนา ล้มพูดได้บ้าได้ซื้อขอาคดีล้มได้ซื้อนี่ล้มได้ซื้อไลยก็เข้าก็น้ำพอพอพได้ทิ่มักเทียนรับแล้วก็ไสอยู่นีเด็ดเผลอไปหนึ่งนาทีไปได้ นั่นนะวันเทียวกันนึก้่่ดนเียวกันโอ้น่นกันอืมเขาลงซมากกนเมากหม้องจะว่าวันเที่ยวไปนน วันนี้ก็วันนี้มันังมังซาก็ก้ต้ตยเป็นุะคนแต่ที่พูดที่เป็นหน่อยเป็นหลาย อันนีู้กกูว่าพวเป็นแต่ว่าหมอว่าเป็น <c oughs> ว่าปหาเขาก็กะว่าถามนูกูเป็นยั ง, นงไงเกานี่ยเป็นตัวตัวนี้นูกูเป็นต้องเอาใาวิตามินไปกิน <c oughs> กันไปดีๆไปดิ่นถามหา่พเป็นยังงดิน ด้่าเม็ดเม้าอีกไปเดี๋ยวรุ่นไปตรวจไหมเอาไปมากับลุงลุงปูเป็นนั่นเป็นนี่ไปกับไปเรีบร้หาโรคใส้ใลุงปูเรีบร้อยมาที่เศร้าเศร้าไปไหนตัวเองตัวเราไหนขอไปเจอคนยิงเศ้าได้อยู่ยากยาที่แทกิงคือยาเม็ดข า, ขาวๆน้อยๆ ยาอนันยาที่แทกิน <c oughs> พวกสมุนไพศก็เอาอยัางไปตำใส่กันแนมมาเขียนก็บ่ายานันยานี่ไปเมันกินหไรเป็นไ ด, ได้มันก็ผสูมเม็ดหน่อยๆเม็ดหน่อยๆเม็ดเขาไหมมันกินเสับแช่แไงมีแห้งดีอนัญญาเม็ดฝังพระกุศลเจ้า สิบกิโลแ้่นั้นยุกบบลไม่หวัดปะมีมีเรามีบัดมาในการ ทำบุญน่ยเจ้าสมยุนทำท่านหลายวันเต็มวิจารณ์น่ะเจ้าสมยุนทำทานหลายวันเต็มวิจารณน่ะ เดี๋ยนี่มีวัดหนึ่งกูผู้หลวงผู้หอสร้างลงเถะเครื่องลอยล้วมันทีไปยติผู้หอวัดันมะนะจุดหัเลยเดี๋ยี่สร้างลงหน่อยดิ หาว่าม่างไร้ไรยซ่องหะอมันหนีจากความช่วงแรง่มีกายเห็นไหม ม, มันหง่อนมันกติกหาบอลเย็นหนึน่งตัววังบนนี้กินอ้อยกินหยังคนก้อยไว้เจ้าหน้าที่ก็มากเส็แห้งก็บม่ได้แล้วของคิดคนหมยไปงิ่งตายก็บม่ได้ใช่ไหมเพราเจ้าหน้าที่ค่อยควงออกคองออก บอกเติดน้ำไรแล้วก็ไม่ีมผมเห็นในเขาราจัดเขาไรกันจะสร้างเองติดเสียคนไรอย่งเนี้ยมันมกเขาบอกไม่รถนี่เขาขวงกันให้ไปช่างเขาไปช่าเขาไปามันก็ไปของมันเอะสร้าง็ไปคือก็มีไปอืวแจอยู่ยุหนก็บอกว่าสื่อที่ดียในก็อีกเกือบร้อยไล่บ่ ไม่สร้างมม่ยุ่เขาหลายๆบอกมม่ยุบหเด้อฉัอก็มาอาศัยอยู่วัดนหนยู่ได้หรอยีจอมตะลนี้อยูเ่เลยเลยเขาจะว่าอะไรหนีหนีไปทัวเข้าผ<ม>ของสมือกลับมาอีกเันผูใ้ใดหายหลายพังหมอแอ็งนามไป <c oughs> หาทุบหมอแอ็งนามคน <c oughs> ก <c oughs> ูจักกูจักใจคนไป กันล e like ืมคือพ่อยูมันกับพวกจากคินแล้วก็บอกเป็นต่ยันชากล้วยดิพี่เขาไหมคนจนทรนี่ยซื้อๆตัวใหญ่ขันพ่เห็นหนังบ่ไปซื้อๆเเป็นหยังทีเห็หนังพระหนึ่งพ่าพระก็อยางวดจากถ่ลูกไถ่หนังจากเส็มัน๊ะใ่มันกิดเทียตะก้นแหะขันช่ยไปซื้อเพรเห็นหนัง ยันคือกันแล้วสร้างยกไหมปีมผมพูดให้จำพี่แรกกะหั ว, วกันบพระไว้กันฮ้าสร้างลงม า, ากกแลนบไอ้พึ่งนางสมัติลงมากาพระน้อยสภาพปวดไหมถ้าลูกมากินเนื้อมากับยูไก่มุ่มันหลังมันยูไกลิมหัวแน่ริมเขตวัดนายจุฬาปป้าาจะปลกไปสร้างกิน ลูกมันห้องมันเหมืนอนที่ตัวเมี์มันเขาใจวาพระที่หันไปเห็ดมันเกิวิวมหามันห น, ม น, ม า, า, ม า, นามากยัอ ง, องออกตัวตัวหนาแอมไวไหมเสียงนิน่อยหน่อยก็หลังนี้ ต, า ต, าตา่าตๆำตําสังเสียงหลังนี้แต่แตรถึงขัง้วง่ายจังหนยสองเมตรมุนพ้นมึงหนามากมาดัดแอม ดึงผาออกเห็นผาเห็นบาทดึงบาทต้องไปเก็ียบเพะนบาทผัตรงนั้นดอกบาทผักตีมาฝาไปเดี๋ยวนี้ฟงวนก็เตีตีของฟงวนค่ะแต่บาทเนี้ยฟงวนไปฝากน้องฝาหน่อยไปถ้คนอยู่เองถ้าคนนี้แบบนั้นเนี้ยจะได้งกูไปบอกพระอตรงนาบอกคุนก็บอกไปตามคุณปู่บอกแล้วไปไหนแล้วมี่จะปลาสม ทีเวลามน ก, นกสมสางสามก็ขอเถึงคือเอาแล้วถงตังขึ้นเดี๋ยตส่งโงอย่างสิริได้โค้มาอ่างข้างห้างกันกุศลถากินแล้วไปไหมเปปงเดีลายเต๋อไปไดิโอ้ยามใอยู่ไปยนครับนี่ลย่อทงหนาร็จางสมนก็ตไปเลยนี่มลงมาริมเผา ลอกลอกมื่อกอยู่ลอก้องอยู่เสียดีโม่งคลงาูาอาจารย์เป็นกว่าแพ้เมตตาหาสินหาธรรมาหรอหาอยู่หากินกับหากินไปซะไม่ได้มากเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ใดแพ้เมตตาเขาทําเก็ยรติหนึ่งกันอยู่าต่ว่าท้องไทยสองหัวเคียร์อยู่บนยุทธสันติมันค้นตัวนี้ไปไหนจะได้สิกอยากสิกยู่วนเนี่ยเอ้านสุข ขันนี่ไใหญ่เต่บ เ, เรายังคนพด่ตเนยจออกก้นชาดนไฟก็เนี่ยก็ควมจิตค น, oh. นตัว น, น, นี้เลยก็จะห็นถูกใจเติบเยอนั่งแพทย์ถ้าบเดี๋ยวมนกับคอยออกไปเนี่ยใกล้แกงแล้วก็ออกมาแกงหมดจกคอยบอกมูฟังไปห้อยมันก็เห็นด้ลมันาบาดเนี่ยฟ้อง ม, มันปยปหยา ปีนั้นพ่อกไปกุฏิให้การไกลอยู่ติไกลอยู่ก่อนอือไปสองขีดว่ไปทำมคุู่กป้าอยู่ดอกันมอกสลาไปน้าปลานําดงไปในภูเขาเนี่มาหากินทำทมือทอยูก็ไ่ได้กุฏิไงก็หานไ เขาจะกาดหายอยูนย่นไตเงบหยินซื้ไอไหมอธิษฐานจิตใจเอาแล้วไกินไฟสินมั่นเด้อประเสริกันีน่ก็หาไฟหามั่นนี่ก็หาสินหาธรรมวจิตเวียนผูไดแล้วก็หากินไปก็กไปแจ้งม้่งก็ไปหากินน้ำก็ไปสา n ําออกซาก็จังเลยของเอาน้ m ขึ้นมาใส่เแล้วแล้วมือเศร้ า, า, กากันไร ก, ก, ก, ก, กอสองอ ง, อง นี่นี่ักหลายอลคคยคือใครังเดียวเมื่อจากอตเลียแต่คนไทยไปยุคุณลไปต้องการํำงานนี้ยังไปแน่เกืบเดือนาหนปแต่นุญมีแตมากใช่ไหมมากกว่านี่เห็นบทนนี่องนึ่งไปคุ้มการุ่นอยู่ อิมก็คอยมีบ้านบินตาบแต่ว่ากทนได้อยู่เเป็นยังนี้ทาจิสัมเนิอิมน่เอิมน่กพออยู่ได้อยู่้พกทน่็นน้ิมาบวชนกจิอยู่กูติเสียอมอืมนกลังใจไฟอกเลยอบ่มีมนกเหี้ยังบ่ยังจิ็ ไปเมือ่อแบผักบนเสาสลุมมสลายย่งเงเร็ดแล้วปะ่ะจะไปอยู่ภาวน่าสิคือมีความกันนั่นี่ มันทำไมรถเรือเป็นหยาดเพราะว่ารถเรือไปทน่งไปทุ่งร้านร้านก็เหยียบลงมาเลยดีกว่านะดีกว่าก๊ ตกทำไมได้ไฟไปแลยเด็กฝไายกู้ไปม<ฟ>ัวห<ป>ันเรื่องเด็ยกอืูยังสองลนทั้งลูกมีกระายเสียนอยู่ยเสีย <c oughs> นยังไม่ <c oughs> <c oughs> จมใจฟุ่เฟือยเยอะๆยืมสองคำน่อยดิเด็ดยอดนเ็อเดียววนี้อกยันเลอกโก้กัเลยลูกนร้านนั่งเฮ้ยลูกเ็นร้านมีมีแฮงร้านเากันร้านเจ้ากัน ม้าเพราท่านกันยอะคหาอื่นด <liked> ้วเนี you know <ml> ่ยไม่ต่องวกเคยมาจำทิงกมจำทิี่สิบเราอเคมากเคยไปแสวงหาเอาเัรแล้วผมว่าือว่าันม้ามือ้าสิบบวชน่าจะเป็นลูกปหลานบวแล้วมาเตรียมอยู่เคยอยู่น้กันปฏิเี่ยเอ้ย อังกฤษปีเปิดวัดแล้วก็ส่งคนบวชไม่ไม่อยู่สะละข้ามเคยอยู่น้ํา <c> ม <oughs> กี้เขาบอได้เคงน้ํพระนําอหนังทะเลดอกมาเหนนเา็นเนี่ยโยมเอาตะแนวให้พระยากอลายกาย็เลยเที่ยวใหยย้พระให้โยมทุก ม, มือให่เขาจะามาทำบาปร้ายวะสนะของท่าน เห็นว่าทำบุญสันด้บาตก็ว่าของพระของท่านมาทำบาปญาติกันใช้บาทพระุกพระแง่กันร่วมภูพระเพราะว่าขวบใจท่านได้ท่านก็ว่าทีได้บุญเนาะแต่มีใจนั่นล่ะเพราะของใจโดยเพราะว่าเห็นบุญและหลายแล้วก็คันแบกทำบุญจากได้บุญก็บบกนั่งสมาธิรับตาอยู่ เพื่นก็ตั้งไว้แล้ววันสุดท้บาดก็ได้เอาขอไปห้มกันแต่อาหารเท้าเอาหานแล้วก็มันนั่งหงรมหายใจก็ออกใครก็ไปแหนกันใส่บาดแหนเอาเต็มบาดหรแท้ออกเต็มบาดแท้ออกว่าได้สันสัําัึงในจังวัดจะได้บุญท่านนี่ก็ต้องให้เพื่นได้สันจนตัวทั้งจได้บุญเอาหาแล้วมันเล่นเห้ น, หน้อยไหมไปแหนกันใส่บาด ญาติกันเท่ออกญาติกันแท่ออกสีไล่ก็ได้นะเรากันตั้งตะกรันบนดนอนยังไงเขาหลไปในกุฏิไปตากเขาแหงขายมันไปนยไป ด, ดิอันที่เขาคํานึงอ่ะพาคนมาพ้าแล้วพ่าแล้วกับพ่พอเขาหน่อยากใส่บาตรเขาหนอยจากใส่บาตจะขวดน้ำขวดนี้ย่างในแขงแข็งถิ่มใสปป่ป๊กเป๊กป๊กเป๊กทำมะนาดอกไม้มุนก่อมาใส่กันม า, ามัน ว่ได้ของดอกไม้เขาฉีดยาเราไมาใส่บาทถืออาหารพระกินตายที่ได้บุญบะลาะห์หน่อยซื้อมาเราใช่บาทใส่บาทกับของเกี่ยวของสันได้ตกนก็เกินพอดีเราต้องบอ ก, กอยาก่างไรทำบุญอยา่างไรเน้นหนักไปนั่งสมาธิมาจะจะเอาขนของไหมพระลาบากหลายไหย อันจากนีได้แน้วทางเนีย เ, เป็นสิริมงคลก็คือปัจจัยคิวกำหันมืดข้าพระเจ้าขอสบายใบปรณานั่นเผนต้องการสิ่งหนึ่งอันใดอันสมควรแจกสมณะบริโภคนั่นนี้เจ้าก็เลผ่าว่าท่นบอกห้ามไว้แล้วห้ามกบเส้าม้วากถินกองถล่มหัวผุนท่านพระรักษาเพเป็นเป็นบาปเดิพระเป็นพระจิตติ ว่ไปกราบผ่าผ่าลายพระต้องทำพิธีวิกรับไว้เช่นน้่าวิกรับมันก็นโทษเป็นโทษแต่แล้ววะมุจฉาอันนี้สงหานั่นท่านพระรักษาว่เป็นกับเป็นบาปของตัวอันนี้สงหาในอันนี้สงหา <c oughs> กส่ไอ้สงกสีนหมนี่นนอ น, นึงนอติเลกจีเบรังโยจะตถาจีวรังโยจะตถาจีบรุปรโดโซเมทั้งกวิจติพาเป็นอิเลกต้องทำที่วิกัพสกอนังเอาไปใส่ใดถอนวิกับออกสกอนเพราะฉะนั้นพาสิองกตินผืนใดผืนหนึ่ง ท่านรับแนวจงการกระเทีนด้วยผ้าผืนใดผืนหนึ่งเนี่ยที่วัดพระกุงหลายๆหลวงปู่ว่าพีนาจะเอามาด้วยหลวงปู่จำพษาเอามาบ่อยเกินไมนน่นเ่อวิเทากันบ้างนี่กาแนวเป็นประโยชน์มากันสหเป็นประโยชน์อะเกินแนว นึงจับความยังไงมันก็เกิดแลหละหรือในยุหนันต้องตัดสันบอดได้ตัดกับรับไปนุ่งมันกระสีมาได้ขัน้นตัดแล้วต้องการการก็ต้องตัดเจ็บจอมได้สีของผ้าจังมาการได้ถึงก่อนขันยาจุดมาปรวรณาบอกว่าขอ พระคุณเจ้าตัดครบไตอย่งนีก็ต้องตัดครบไตใหงมนี่กานพระคุณเจ้าพื้นใดพื้นหนึ่งตุลนาคควรจะเวลาจำกัดย่านพแห่งง่ายก็ตัดสบงคนแล้วว่ามันแล้งง่ายดิเจียบจับจับจััุ่มงหนึ่งก็แล้วจะตากโอ้ยสมัยปีแรกปวดไม่ไม่จะมาถวายหลวงปู่ยัย อ, อยู่นครพนมแต่นี่ยังหยิพระทานแล้วอยู่แต สันจะหันแล้วสันจะหันจะเศร้าซ้าพระเจ้าอัยพระาให้ตัดเป็นใจไหมสังขารติอันที่มันยากมันสองสันนี่สันตัดว่เป็นโอ้เมด่มืม่อเท่าคำก็พแล้วพ็เกินแล้ถ้าฝ่าสังขารติสิสิกระเดมเฮ็ดโอ้ยตั้งที่หาทุ่มจั้ได้กรรมการก็จะไปย่อก็จะไปดังไฟทิงสี่แล้วกวองงี้ วิเอาตัวจับสององค์ถึงกระไฟคนแล้ ว, ว, ว น, นี่เล้ม่ว่าจรงินีแล้วแล้วไนใช่ดุมใช่นี่ยังก็ใช้ดุมผาเองดิเพราะฉะนั้นในน้ำเราสะดึงสะดึงหรือผาสะดึงปากระกินคือกลางไว้จะออกไปตรงและลายลูกยิบมือ ด, ดิบ่ะตัดออกเป็นสินเป็นสินม่ดต่อกันดิยิบมือ ด, ดิบ่ะ แต่ไม่ก้อนจ ม, มูกดีพ็ ด, ดีกัเอาไตของยอมเสร็จแล้วแต่เป็นกะทินเนบ่เป็นกะินอ๋อันเดกเป็นกะินที่ถูกต้องก็ต้องตามข้อเจทจว่านแล้วแล้วตรงการกระินการคือตัดตะกอนจังมาการมากลางตะกอนอย่ง น, นี้ถ้ามาการการกระินมากลางเย็ดยิบย่อม เพื่อผ้าผืนนี้เพื่อปโยเพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายนะแต่พระเหตุทั้งั้นกิดขุยโน้มประสงคางเนีดยล่ะคำเก่าล่ะสาธุปันเตธประสงคทั้งหมดอยู่นอ่าอันกรับสาธุเออม่ได้สังเกตดอกขอพระเหตุทั้งสั้นกราแล้วลไปเลยไ่ได้กันขอหาถูกต้องถูกทำหรอกถึงท่านต้องิ้กันเนการท่านเป็นของอยากท่านเป็นได้บุญท่านพอเป็นได้บาส น, น, น, น, น, น, นั่น ถ้บุญได้ตรงหรนั่งบักรมหายใจก็ออกง่ายไปไหนเพียงเพราะเหตุไปเราะเหตุนี่แหละบพมีสติปัญญาก็เพาะขาดการทำบุญนี่ยละเห็นหมเจ็บไท้มีพัดจักบกุญมีวัดจักวัดไปลองไปทำบุญกระตินสวิวัด น, น, น, น, นู้นีวัดใดถืบอกทำบุญนั่งยังงยมถ้ากระตินก็ถูกเีิ สบายกระถินปวดหน้ามโยมปวดน้าก็จะสาธเตี้ยแล้วเติ่นเติ่นเทศกัจังหแจ้งแจ้งกัมาทุกปีทุกปีเด้อได้อันนี้สงหลายท่านหลายได้อันนี้บุญหลายก็ย่องเอาเตินเจิ่นเมื่ออาทิตย์บายก็มาบุญกับท่านไปที่ไหนดิพราะเห็นตีนที่บุญมเวีดนที่ไห แล้สตาร์เหรียญถตะลงเทเสียงว่เนเอาขึ้นย่องย่องมา่เหรียญของเขาเ้ล่ะจับขึ้นในผ้าอย่างนแต่คน่าเขาเขามาหยอเหรียญดูเทเสีงว่าร้องไแล้วก็เหรียญเขาจะได้หันมะปิลิงปิลิงย่องหมเอาไปมากจะจับพระศิษย์ถึงตัวไปเอาแต่น ่้ำผิดไปไหนมาถตไวหวลายไอ้หนีสติปัญญาถ้ำบุญเดีย่ยว ข, ขาดนั้นถ้ำบุญบ่มีปัญญาขเขาตัวกันพเพจไ ท, กท ย, ยกับหลวผูกก่ท้่ยหลวงปูำจุดนี้แหละต้มกี่ตัวกี่รอดกี่ร่วงอวดเนื้ออวดหนังผู้ดก็มีมอดตัวเจม้มะอวดกันเีย่ยเขาวดัดเขาว่านุ่งน่อยห่มหน่อย ก็แต่ก่อไว้กัดมันกัน็าแบบนี้แล like ้ว <laughs> เรื่องคนผู cile, ison, une, <top ple ốc> <c oughs> than, ้หญิงแต่จะลายประเทศไทยเขาชกกะปงเขทุ่ประเทศเขาเข้ามาแล้วมันก็ดะยิ่งติดตั้งเนี่ยเข้าประเทศใท้ชกะโปกประเทศบุ้สะอาดทิมขยะทีมพิถัดที่ตอวเด็กขนชกกระปงอีกย้อนย้อนวันจีเรียกเก่งของมือคือประเทศไทยแต่ประเทศเขามีโรคงนด้ ต้องอาบอบนวดเป็นเวลาปันเท่าตลอดมือมัดมือเท่าคำอวดเฉพาะวันนั้นก็ฟอกเปน็ น, น, นยังหละ่ะมันสะวกระเต่เทามันห่อ น, น, นอยากเห็ด้วยไหนก็เห็นแตของเขาไปว่าได้มันหนาว้วทีไปตากแดดตากฝนนั่งโซดทุกวันนั้นแต่มเมืตอจเสกกับุ่ีดิชีตากแดดตากลมหนาวตายตัว นนี้ก็เมีในแล้วมีใน ห, หนัหลตัวงไหลกวน้อง่อย่นกวนเฉลี่ยมันก็อาจจะจะจอดอาจจะจะก ร, ร ม, มันก็เป็นสเสื่ออยู่ใน ก, งกองตัวเนื้อไปหล่อมันก็พั ง, พงกองกมากพังกองอย่างไรพังกองกดนไมพ้พังกดนไม้มากเปลี่ยนเบียนกันนั่นอาจจะจะก่อนมันหลฟ อ, อ, อ้ห้องไปออกไปอ้อยตัวมัน บ, บรรมม่มีรอมีอ้อยมันมีไหลด แล้วก็เน่ายาอีกมึงเพิ่งเพื่อืโอ้จักยาอันใดต้นใดนะแน่ถ้าเราก็พ่อแหงเร า, เอาไไิออของจบ้ า, บาเขาว่าซื้อจัาบบ้าประเด็กกนคืยังอืดคนกินตกอนกับว่ามืนเม็ดกับว่าแหงแต่ว่าหลายพแ้งแล้วดูวนี้เป็นลาน้านจับใดเป็นลาน้นล า, น เ, าเ น, น, นเป็นลาา้านเอามึงรู้ประเ๊ศไทกันเพแตกหมดมีนอู่นอยู่กับว่าเอาของมึงเนี่เขาไมาเบียดอกเอาขบ า, เอาบอกว่ามันจับ้าประเด็นคืยังไปซื้อกินด้วย ขอไปได้พ่อแม่ขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้องไปหมดเป็นผ้าเพราะัขเขาบอกว่าจาบ้าย่าจไปไนี่ก็ไปสื่อกินจะไปเอาทังใดอีมงไทยมึงพุดมองไทยมองพุดเป็นตะสลดสังเวเพราัมอนวดมนั่นติออเอามอย่างตัวพวกงงนผมนีหลังแล้วดีแล้วเอาไปแกงา ได้ <c oughs> อเอาอสบายตัวให้ยู้เย็นผิวให้โลกเขินไปถ้าจะเริ่มทำบุญบริสุทธิมากวบบบบบัดกับทำทุบ้านก็ได้เขามุ่มดีๆเขาหองดีๆอับน้ำอับธานุกบนั่งบงล่มหายใจก็ออกก็ใบเหรียไลไรน้ำโทรถัพท์ทีวีเทเวอร์เพ่น <c oughs> ุณมันเป็นการเป็นงานมาไม่ใช่ไม่ใปถิ่มทำบุญบริสุ่อิ์อกบงล้มเขาลมออกลมเขาล่มออกอออกัน โดนเข่าโดนเขนนาชั้นี้ชันนาเห็นกับมันแดงด้ดอง